ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ่งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา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 ท่านฟังที่เคารพคะ่ะเรามาสู่ช่วงเวลาของรายการสรรเสริญ ส, สมทนานะคะที่ทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวร้อยหกเนี่ยได้มีเจตนาที่จะให้ท่านฟังได้มีโอกาสเข้าถึงประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะเน้นในส่วนที่เป็นพุทธวจนะจากพระโอษนะคะก็เลยได้เอื้อเฟื้อทำให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังรายการนี้ก็อยากจะให้ ทุกท่านเนี่ยได้ทราบเอาไว้นะคะว่าเป็นเจตนาดีของทางสถานีซึ่งปกติแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าถ้าหากในการสื่อสารมวลชนทั้งหลายได้เห็นคุณค่า ของธรรมะนะคะแล้วก็ช่วยกันกระจายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป็นล่ําเป็นสรรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเกื้อหนุนสังคมของเราให้มีปกติสุขแล้วก็ทําให้ทุทกๆคนเนี่ยนะคะที่ได้น้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วมีความเป็นปกติมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเท่าที่เป็นอยู่เมื่อเราได้รอบข้างของเราก็จะพลอยได้ไปด้วยหมายถึงว่าเมื่อแต่ละคนมีความสุข สังคมก็จะพลอยส ง, สงบสุขร่มเย็นไปด้วยวันนี้ดิฉันไปอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องผลงานวิจัยที่อาจารย์สมพงศ์จิตระดับหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร์สมพงศ์จิตระดับแห่งคณะครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นนักการศึกษาที่มีความห่วงใยในเวยาวชนเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านกับคณะก็ได้ คุณของทางสนักงานคณะกรรมการกา ร, การวิจัยแห่งชาติหรือสอกอววิจัยเรื่องการสร้างคุณค่าในกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในส่วนหนึ่งของงานวิจัยได้พูดถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยต้องตกไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมที่มีแนวโน้มเข้มข้นรุนแรงขึ้น ก็บอกว่าได้พบว่าคำพูดดีๆที่พ่อแม่ควรพูดกับเด็กๆ เ, เนี่ยแล้วก็สรุปมาเป็นร้อยคำพูดดีๆที่พ่อแม่ควรพูดจะช่วยในการที่จะผ่อนคลายปัญหากับเยาวชนเหล่านี้ไปได้นะคะถ้า สรุปเป็นสามประการแรกก็บอกว่าให้พูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังการพูดนะั้ต้องเป็นการพูดให้กำลังใจไม่ใช่เป็นการตัดกำลังใจแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาหารือให้กับเยาวชนด้วยถ้าลงรายละเอียดมาอีกแต่ที่ยังคงไม่สามารถอ่านให้ถึงร้อยคำพูดน ะ, นะคะเอาโดยสรุปก็แล้วกันว่าต้องไม่พูดให้เรื่องเล็ก เ, เป็นเรื่องใหญ่พูดจริงทาจริงสั้นง่ายได้ใจความ ต้องเป็นคำพูดที่ทำให้เข้าใจเราให้ความรู้สึกที่ดีคำพูดที่ยอมรับไม่ซ้ำเติมบางทีผู้ใหญ่ก็พูดไม่ค่อยทันคิดนะคะพูดไปก็ทำให้เด็กมีความรู้สึกแย่ลงไปเช่นเห็นลูกข้างบ้านไหมเขาดีกว่าแกตั้งเยอะผู้ใหญ่ในชอบเปรียบกับลูกข้างบ้านเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะรับฟังเยววาวชนในทุกเรื่อง อย่าไปทำให้เขาหงุดหงิดอย่าไปทำให้ความคิดถูกปิดกั้นฟังความคิดเห็นของเขาด้วยแล้วพูดโดยไม่โต้แย้งกันการพูดนั้นถ้าลงท้ายอ่อนหวานนิ่มนวลพอเหมาะพอควรก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการคำพูดมันสำคัญนะคะคำพูดที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปกับเรื่องนี้ ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีกันในช่วงเวลาของถามโลกตอบธรรมต่อไปนี้ค่ะสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา สวัสดีครับผมพิษนุนเองกลัดวันนี้ผมมาแนะนําทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับแก่ฝากสลากกอาสินพิเศษชมหมายอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์รุนรุเบ้นถึง10คันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบ้นเดือนละครับสเดือนสุดท้ายรุ้นเดือนละ3คันตรวด<อ>แถมรุนในวันที่1รั20ล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนรุ้นรุนเบ้นก่อนถึง30เมษายนปีน้โคเลย1115 ตอบถามท่านฝังคะรายการสันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันสนีน่าพง์ตอนนี้ก็จะมีช่วงเวลาถามโลกตอบถามที่พระอาจารย์ไผบุนอภีปุนโนมานั่งอยู่ณที่นี้แล้วนะคะนมัตสการกระทั่งคะอาจริ์ปอค่ ะ, ค, ะคำพูดพูดกับเด็กยังต้องอ ต้องคิดก่อนนะ ต, ตั้งอกตั้งใจพูดมากนะคะดูดูดด <laughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะสังเกตว่าพ่อแม่กาอาจจะใช่คิดว่าลูกเนี่ยต้องดา่าต้องดุต้องเข้มงวดนะคะสิ่งใช่สิงง่งที่พ่อแม่ต้องทํากับลูกเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าต้องห้ามเสียจากบาปเพื่อนถ้าเรายังพูดวาจาที่เป็นวาจาชั่วอย่าเป็นบาปมันมันไม่ได้เราต้องพูดวาจาที่ทําให้เขาห้ามเสียจากบาปให้ได้ อันนี้อันที่หนึ่งเขาเจะไปเสพยาเสพติดเขาเจะไปเล่นการพ น, นันเราต้องห้ามเขาทีนี้วิธีการห้ามเนี่ยถ้าเราพูดวาจาไม่ดีไม่เป็นเป็นมิจฉาวาจามันก็ไม่ควรละ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํางานวิจัยนี้ออกมาก็มีส่วนที่สอดคล้อนอยู่กับพุทธศาสนาอยู่เหตุประการณ์หนึ่งที่พ่อแม่ต้องทำเนี่ยก็คือว่าให้ลูกเนี่ยให้บุตรของเราเนี่ยตั้งอยู่ในความดี ทีนี้ถ้าเราให้เขาตั้งอยู่ในความดีแล้วยังพูดวาจาที่ไม่ดีเนี่ยเราเองพูดวาจาที่ไม่ดีไม่ทาตัวเป็นตัวอย่างมันจะไปได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องพูดวาจาดีเพื่อให้ลูกตั้งอยู่ในความดีค่ะวาจาดีใช่ถ้าในทาง พระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธวจนะเนี่ยวาจาดีหมายถึงอย่างไรล่ะคะวาจาดีคือเป็นวาจาที่พูดด้วยมีเมตตาจิตเป็นวาจาที่พูดรับไพเราะกับผู้ฟังเป็นวาจาที่ไม่หยาบคายเป็นวาจาที่สละสรวยที่ชาวเมืองเขาพูดกันนะเป็นวาจาที่ไม่ใช่เป็นเรื่องลวงโลกเป็นวาจาที่เป็นจริงอย่างนี้เป็นวาจาสัตว์อันนี้คือลักษณะของสมาวาจาค่ะ ต้องมีเมตตาจิตพูดด้วยพูดด้วยเมตตาจิตใช่ไม่หยาบคายใช่มาตรฐานที่ชาวเมืองเขาพูดกันใช่เป็นวิชาที่สุภาพปัะชาวเ<ช>มืองเขาพูดกันอย่างนี้สละสลวยไม่ลวงโลกใช่เป็นคําจริงพูดได้ไหล่ะคะ <laughs> มีคุณพ่อคุณแม่บางบ้านที่ดิฉันรู้จักนะคะจะเป็นคนพูดแบบ ให้เราคนฟังเนี่ยมีความรู้สึกโอ้โหลูกก็เป็นคนดีมากพ่อเขาเป็นคนดีมากอือออคือเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาเขาพูดกับตัวลูกเองพูดกับตัวพ่อเองก็คงจะพูดให้เกิดความรู้สึกดีมันจะทําให้มีกําลังใจที่จะเป็นคนดีเหมือนกับปาที่เขาพยายามพูดใช่แล้วคือพ่อแม่เนี่ยถ้าถ้าเรารักษาลูกของเราเนี่ยด้วยอย่างที่ว่ามุสการุณีนะคือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเป็นต้นเนี่ยลูกของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีภัย ไม่เป็นภัยกับเราพระเจ้าใช้คานี้ก็คือว่าลูกของเราเนี่ยจะไม่เป็นพิษเป็นไพรกับตัวเองออสิ่งที่พ่อแม่กลัวเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยก็คือว่าญาติทายาทที่ไม่พอใจจะช่วงชิงเอารัพย์ของเราไปแต่ลูกที่ไม่ดีเนี่ยทําทรัพย์ให้มันสูญสิ้นไปเนี่ยยังมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ในบ้านแถวแถวตำบลดอนไถ่โศกเนี่ยลูกเนี่ยไปตีกับชักข้างบ้านนะแล้วก็ ข้างบ้านก็มาตีกลับเราก็ไปตีกลับเขาอีกทําให้พ่อแม่เนี่ยต้องไปจ่ายค่าสินไหมทรัพย์สินเสียหายอะไรต่างๆทําให้พ่อแม่เสียทรัพย์เพราะว่าอะไรเพราะาพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ห้ามปรามลูกจากการทําไม่ดีใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในการพูดเป็นต้นย่การโทษข่ะด่าใช่ไหมคะด่าแล้วก็พูดเสี ย, สยหา ย, หายทําให้เขาก็เลยไม่ได้มีกําลังใจงในการทําความดีเป็นต้นบางครั้งครอบครัวดีๆก็ยังเห็นพ่อแม่ด่าลูกอยู่เลยนะคะอือาจจะ พ่อแม่ก็เหนื่อยเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเหนื่อยรักจะตายแล้วลูกไม่รักดีทีนี้ลูกพอพ่อแม่ด่าเข้า ม, มันก็จะมีลูกสองประเภทนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะประเภทหนึ่งก็คือด่าแล้วกลับตัวกลับใจอีกประเภทก็คือด่าแล้วก็ไปชดซะเลอยากด่าดีนะักก็เป็นลักษณะาาของความทุกข์สมมตินคนที่ได้รับฟังสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยเป็นทุกข์ละ S 1> <S 1> พระเจ้าบอกว่าผลของความทุกข์มี2 อ, อย่างคือหนึเธอจะจมปลักอยู่ในความทุกข์ <S <S หรือสองแสวงหาหนทางภายนอกว่าเอ๊จะมีใครคนใดคนหนึ่งสักหนึ่งจะมีใครบุคคลภายนอกที่จะสามารถหาทางออกของความทุกข์นี้ได้สักหนึ่งหรือสองวิธีเพะฉะนั้นเด็กคนที่ฟังคําพูดของของพ่อแม่เนี่ยโหพูดอย่างนี้ใช่ไหมงั้นฉันเป็นอย่างนั้นนี่จมปลักอยู่ในความทุกข์เป็นประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองแสวงหาทางภายนอกว่าจะมีสักหนึ่งหรือสองทางที่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกนี้ได้เอ๊ามาคิดว่าเราถูกเพราะไม่อาจนี้อันนี้๋อก็เพราว่าเราทําไม่ดีอยากกา่างขน้นเลยเราเป็นคนดีดีกว่าเราจะได้ไม่ถูกด่าอีกอ ม, มีสองทางนี่คือผลของความทุกพระเจ้าบอกถามว่าแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยจะเลือกทางที่สองได้ยังไงที่แสวงหาไปทางดีคําตอบง่ายๆพระเจ้าตรัสไปแล้วต้องมีมิตรดี เขาต้องมีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีคอยให้ใหคำแนะนำมีครูบาอาจารย์ดีคอยให้คำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ า, าก็มีนโยบายของรัฐบาลนะนะที่บอกว่าบ้านโรงเรียนวัดเนี่ยต้องร่วมมือกันในลักษณะใดไดบ้างเพื่อที่จะให้สังคมบันดีขึ้ม่ได้ ม, <า S 2> มันเป็นวัตกรรมสวยหรูงด ง, งามบคือเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยพอท่านอาจารย์พูกก็เวลาให้ใครเขียน เรียนความหรือว<ช>่ตอนเนี้ไปถวายความรู้พระที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยนะคะท่านก็จะชอบยกบรวรเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับถ้าเป็นเราเราก็คงยกเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจางคลายเห็นไหมคะเหมือนกับว่าวัดก็อยู่ส่วนวัดบ้านก็นอยู่ส่วนบ้านโรงเรียนก็นอยู่ส่วนโรงเรียนหลายคนพูดะนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเราจะเรียนหนังสือก็จะเป็นโรงเรียนวัดอื ใชไมคะอย่างตัวของเทนเองเนี่ยเป็นผู้หญิงนะค ะ, คะผ่านมาสองวัดกันทั้งคะ อ, อยู่ที่จังหวัดชัยนาใ น, นเรียนที่โรงเรียนวัดศรีสิทธิการา ม, มนะคร ท, ท, ทั้งๆที่ที่อำเภอนั้นเนี่ยก็มีโรงเรียนราชซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่เกี่ยววัดด้วยกับพอเข้ากรุงเทพเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคังอ๋อทีนี้พอตอนหลังเขาก็เลยโทษว่าเพราะว่าวัดไม่ค่อยได้ดำเนินกิจการ โรงเรียนสักเท่าไหร่อืแต่จริงในส่วนตัวของที่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะคะคิดอยู่ว่าวัดก็ตั้งอยู่ที่วัดได้แต่เอาทำไปเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เป็นความร่วมมือกันใช่คือพระเนี่ยหน้าที่ของพระเนี่ยที่ควรปฏิบัติต่อเรียกว่าชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคือให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังอย่างพระบัณฑนาเนี่ยต้องบอกสอนนี่คือหน้าที่หนึ่งค่ะพระเจ้าบอกเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อธิบายสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจมแจ้งอย่างที่เรามาทําอยู่ตอนนี้ยอาตมาเนี่ยทาหน้าที่ของสมณะน ะ, ค, ะคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่งสองทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจมแจ้งถึงที่สุดค่ะมันคือเราก็อาศัยพุทธวจนะเนี่ยอธิบายพุทธวจนะเองเพื่อให้ผู้ที่ฟังรายการอยู่เนี่ยอ่าได้อเอธรรมะข้อนี้ไปใช้ได้ไปใช้ได้นี่คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทัพระทำอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบอยู่ในส่วนของสังคมได้ค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วที่สำคัญก็คือการที่จะต้องให้ความรู้<ช>ที่จะนำไปสู่การที่เข้าไปปฏิบัติแล้วเกิดความเยือกเย็นปัญหาผ่อนคลายได้อย่างนั้นปลย่ยวา ง, วางได้ค่ะแต่นี้บางทีเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนที่คนเองด้วยนะคะบางทีชาวบ้านเนี่ยก็เป็นคนพาพระไปในทางที่ทำแต่พิธีคือเหมือนกับว่าพอลูกไม่ดีก็ต้องออมาลดน้ำมนต์เคาะหัวทกสองสามทีมนะ เคาะหลายครั้งหัวน่อมหมดเลยจนตอนหลังพาลูกเข้าวัดลูกไม่มาท่านคะเพราะฉะนั้นพระก็ก็คือต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้าใช้คำว่าอ่าให้ตั้งอยู่ในความดีอ่ะทีนี้ว่าความดีที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีหลายระบบไงสมมุติว่าคนที่เขามาเข้าวัดเนี่ยเขาเป็นผู้มีศีล เราเราก็คงจะต้องสนับสนุนเขาในการที่เขาจะถือศีลถ้าพระมีความสามารถในการที่จะให้ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปในเรื่องของสมาธิบ้างในเรื่องของปัญญาบ้างในเรื่องของพุทธประณะที่เป็นท้อยคําันลึกซึ้งบ้างก็ดีใช่ไหมการที่วัดเด็กไปวัดเนี่ยการเข้าใกล้สมณะเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งละ่ะอันนี้ที่หนึ่งที่พระชาพูดไว้ในมงคลรละสูดเพราะฉะนั้นมันมีหลายระดับเครื่องลมาเนี่ยเปรียบเทียบธรรมะเนี่ยเหมือนกับเราไปเซเวเลเวลหรือว่า Mi โครโ o ตัสเนี่ยว่าเราก็ไม่ได้อาลทุกอย่างเราเอาเฉพาะสิ่งที่มันมีประโยชน์กับเราค่ะใช่ไหมคราวนี้เข้าไปเอาเอ า, เอ า, เอาน้ําแก้วหนึ่งคราวต่อไปเอาขนมชิ้นหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาวัดมาศึกษาธรรมะหรือว่าจะไปที่ไหนก็ได้ศึกษาธรรมะที่ไหนก็ได้ก็ให้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้เพามันมีเยอะมากหลายอย่างค่ะทีนี้ในไหนเราก็พูดกันตั้งแต่ต้นในเรื่องที่ทําอย่างไรเยาวชนของเราจะได้ไม่ตกไปอยู่ในบ่วงของปัญหา นะค ะ, คะนอกเหนือจากเรื่องคำพูดที่ดีซึ่งท่านก็ได้ให้พุทธวจนะไปบ้างแล้วเนี่ย อ, อย่างอื่นเนี่ยในการที่จะป้องกันเด็กจากปัญหานอกเหนือจากเรื่องมีมิตรดีที่ท่านบอกไปแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะจะมีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะที่เป็นพุทธวจนะเยาวชนที่คุณลักษณะของเยาวชนเนี่ยนอกจากเราจะให้เข า, าตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเสียจากบาปแล้วเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่า พระชาลบอกอย่างนี้นะว่ามอบทรัพย์ให้ศึกษาศิลปะวิทยาคือให้เรียนความรู้นะศิลปะวิทยาแบบไหนเกษตรกรรมโครักรรมพาณิชยกรรมศิลปะแห่งการใช้มือศิลปะแห่งการใช้อาวุธหรือการเป็นข้าราชการต้องสนับสนุนเรื่องการศึกษา <c oughs> นะอย่างนี้อันนี้อันที่1แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอมอบม ร, รดกให้ตามเวลา ก็คือว่าถ้าผู้นี้เขามีพ่อแม่มีมรดกเราก็สามารถมอบมรดกนี้ให้เขาได้ตามเวลาคือสนับสนุนในเรื่องของการทำกิจหน้าที่การงานนี่แหละเคอให้เรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ต้องให้ทุนเขาไปทำงานอะไอย่างนั้นหรือเปล่าสนับสนุนคนดีเราสนับสนุนอย่างงี้ทีนี้มีท่านมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะในขณะนี้ ใช่ก็จะมีเรื่องของเยาวชนที่อีกประการหนึ่งนะในความเห็นของอาตมาเองเนี่ยก็คือว่าคนรจะต้องมาฝึกจิตด้วยค่ะ น, นก็คือโดยการมาหลีกเร่นน่าสมาธิวิปัสสนาด้วยนอจากการเรียนในห้องเรียนแล้วนะในประสบการณ์ของท่านอาจารย์เองเนี่ยเคยฝึกให้กับเยาวชนไหมคะแล้วก็ได้พบเห็นความเปลี่ย น, ปยนแปลงหลังจากการฝึกหรือไม่อย่างหลักสูตรการลีกเรนที่วัดป่าตอนไหนโศกเนี่ยในช่วง คอร์สที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเด็ก อ, อายุ7จ็ขวบมาเข้าหลักสูตรนักเรียนมัธยมต้นก็มีนักเรียนมัธ ย, ย, ยมปลายก็มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีโหหลากหลายมากเพราะว่า7ขวบในรู้เรื่องใหมเจขวบรู้เรื่องเพราะว่าพระพุทเจ้าอนุ ญ, ญาตให้บทเนรตอ น, นอายุ7ขวบอ๋คอค่ะก็คือเป็นเด็กที่พอจะพูดรู้เรื่องแล้วนะก็เลยอนุญาตให้บทเนรบอกว่าไม่ต้องกินข้าวเย็นโอเคอดทนได้พอไปได้อย่างนี้ก็ก็พอพูดรู้เรื่อง แล้วถ้าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเยาวชนนะคะผลออกมาป<ล>ีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะผลออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราเห็นคือว่าเด็กพวกเนี้ยปรากฏว่าพอไปโรงเรียนกลับไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาเขาเรียกว่ามีมีคอนเซนเทรตในห้องเรียนได้ดีขึ้นสมาธิที่สามารถจดใจจ่อตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้น า, นานขึ้นนี่คือเป็นฟี edback จากพ่อแม่เขานะ พ่อแม่เขาบอกมาแล้ว อ, อ, อย่างที่สองนี่คือว่าพอเขาเข้าไปในครอบครัวเนี่ยเขาไม่ทะเลาะ ก, กับพี่น้องอืมพี่น้องก็เอยืมของกันเนี่ยเธอเอาเสื้อฉันไปใส่กลับมาไม่สภาพเดิมอ้าวก็ไม่โกรธนี่ได้ธรรมะข้อไหนไปคะนั้นก็เพราะว่าสามารถวางได้ไงปล่อยวางได้อะเสื้อนี่มันก็ไม่เป็นไรแต่ความโกรธเป็นทุกข์อย่าทํามันเลยเขากอกว่าในการปฏิบัติเนี่ยได้สอนให้ปล่อยวาง ถูต้อเพราะว่าเราฝึกจิตไงให้ปล่อยวางจากอารมณ์ปึ๊บดึงกลับมาที่สมาธิเนี่ยคือการปล่อยวางจิตมีสติในการปล่อยวางทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบของจิตที่สามารถจะให้เด็กนี่เขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้เราเราเห็นหลายหลายกรณีมากหรืออย่างที่เห็นอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าผลการเรียนเนี่ยดีขึ้นอค่ะ<ม> สมาธิมากขึ้นผลการเรียนนิสัยดีขึ้นไหมคะอย่างเช่นเด็กเกเรยอย่างเงี้ยมีไหมคะที่ได้พบอะคะมีเด็กคนหนึ่งที่ว่า เ, เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรสมาธิสั้นแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ตลอดเวลานะแล้วเขาก็มาเข้าฝึกอบรมเนี่ยผลก็พบว่าดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องของออการที่เขาแทนที่ว่าจะไปวิ่งเล่นเนี่ยเขาก็ไปเกเรกับคนอื่นนะแต่เขายังวิ่งเล่นอยู่ แต่ว่าอาการเกเรเนี่ยลดลงคือเราเห็นผลว่ามันลดลงเด็กสมาธิสั้นเนี่ยนะคะใช่ยังวัดผลได้เลยคือพ่อแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งพอดีเวลาใกล้จะหมดเลยต้องรีบสรุปว่าในประสบการณ์ส่วนตัวเคยเห็นคนก็พาลูกไปอบรมเกี่ยวกับพัฒนาจิตเนี่ยค่ะแล้วเราได้ร่วมในการอบรมด้วยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยฉลาด ที่เอาลูกมาอบรมพัฒนาตัวเองด้วยการพัฒนาจิตแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยให้พ่อแม่ไม่ต้องหนักใจกับลูกคนนี้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไว้ใจเขาได้ว่าจะไม่ทำอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนให้พ่อแม่เดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยช่วยได้แม้กระทัง่งในการที่จะดูแลลูกหลานเพียงแต่ว่าอย่าไป ให้เขาถึงขนาดว่าโหอาการมันแก้ยากแต่ว่าบางทีบางคนเลยบอกว่าโหสงสัยเป็นเวนเป็นกรรมใช่นี่แก้มาหลายวิธีแล้วลูกก็ยังไม่หายก็อย่าท้อนะคะลองใช้วิธีพระพุทธเจ้าบ้างถ้าใช้วิธีคนธรรมดาทั่วไปไม่หายวันวันนี้ก็เลยจะฝากจุดวัชนะร้อยแปดประคาพุทธภาษิตสั้นๆว่าในข้อ75็้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอากาศอย่างนั้นอย่างนั้น คิดเรื่องอะไรมากๆนี่ไม่ดีจิตจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคิดเรื่องดีๆซะเมื่อจิตอะไรนะเมื่อจิตเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะนี่เป็นพุทธวจนะนะคะถ้าหากว่าเราเอาไปท่องร้อยตร้อยแตถาคตภาสิทธ์เนี่ยท่องได้ในบางข้อแล้วก็มาทบทวนเราก็คงจะ สามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเป็นปกติมากยิ่งขึ้นแน่นอนและถ้าสนใจอยากได้เดี๋ยวไปฟังกันตอนต่อไปนะคะออตอนนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระเพณ โ, โนวัดป่าดอนหายโศกไว้ในโอกาสนี้คะ่ะนมัส ก, การากันทัน้งคู่ค่ะอครับถามโลกตอบทันคุณฝนคะบางคนจดจ่อรอคอยแล้วทำยังไงจะได้สกสอ108ตถาคตพาสิ แล้วหน้าตาสะพะสะเป็นอย่างไรโอ้ก็หน้าตากระทัดรัดมากน่าเก็บมากนะคะใส่กระเป๋าพกไปไหนที่ฉั น, นต้องพกไปทุกที่เวลาถ้านั่งว่างๆเนี่ยก็หยิบยกออกมาอบรมตัวเองนะคะได้ทบทวนว่าอ๋อพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะเออเราเอาไปใช้ได้อย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตั้งร้อยแปดพุทธวัจนะ ท่าอาจารย์ไพบุนอภิปุโ น, โนนะคะก็นำมามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่เป็นสอพอสอค่ะท่านก็ติดต่อขอมาได้พร้อมๆกับการขอหนังสือมาเนี่ยแหละนะคะพุทธวัตรธรรมวินัยจากพุทธโอดซึ่งเราก็อันนี้ทางวัดนาป่าพงของท่านอาจารย์คือกริชโสติพโลนะคะได้มอบให้อยู่เป็นประจำหมายเลขโทรศัพท์022690006และ022690060ค่ะ ว่าด้วยพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่จะอ่านให้ฟังส่งท้ายรายการในวันนี้ค่ะจะเป็นการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธองค์ครั้งที่มีพระชาติเป็นอะกิตติดาบทค่ะท่านตรัสว่าบารมีใดๆอันเราประพฤติสั่งสมแล้วในระยะการนับได้สี่อสงไขยแสนกับบารมีนั้นทั้งหมด เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณให้สุกมรรมีที่เราประพฤติแล้วในพบน้อยใหญ่ในกัปก่อนก่อนนั้นจักงดไว้ก่อนจะกล่าวเฉพาะมรรมีที่เราประพฤติในกัปนี้ท่านจงฟังคำของเราในการใดเราเป็นดาดบทนามว่าอากิติอาศัยอยู่ในป่าหลวงสงดเงียบว่างจากคนไปคนมาในการนั้นด้วยอำนาจการบาเพ็ญตบะ ก, กรรมของเรา เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ยิ่งในไตรทิพได้ร้อนใจทนอยู่ไม่ได้แล้วเธอแปลงเพศเป็นพรามเข้ามาขออาหารกับเราเราเห็นพรามนั้นยืนอยู่แทบประตูของเราจึงให้ใบไม้อันเรานํามาจากปา่าไม่มีมันและไม่เค็มไปทั้งหมดครั้นให้แล้วก็คว่ำภาชนะเก็บและไม่ออกแสวงหาใหม่เข้าสู่สารรณศาลาแล้ว ในวันที่สองและที่สพราม์านั้นได้มาขอเราอีกเราไม่ได้มีจิตวันไว้ไปจากเดิมไม่ได้อ่อนอกอ่อนใจก็ให้ไปหมดทั้งภาชนะอย่างเดียวกันกับวันก่อนความสุดสทมแห่งผิวพรรณในสรีระของเราจะมีเพราะเหตุอดอาหารนั้นก็หาไม่เราได้ข้าวเวลาเป็นวันวันนั้นได้ด้วยความยินดีโดยสุขอันเกิดจากปีติ<ะ>หากว่า เราได้ปฏิคา6กอันประเสริฐตลอดเวลาตั้งเดือนหรือสองเดือนเราก็คงจะเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวไปจากเดิมไม่อ่อนอกอ่อนใจและให้ทานอันสูงสุดได้สม่ำเสมอเมื่อเราให้ทานแก่พรามนั้นเราจะได้ปรารถนายศหรือลาบก็หาไม่ได้เราปรารถนายอยู่ซึ่งสัพพัญยุตยานอันจะเกิดได้เพราะการถูกบ่มโดยทานนั้นจึงได้ประปริตแล้ว ซึ่งกรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการบำเพ็ญพระบารมีในเรื่องของการให้ทานโดยไม่ได้ปรารถนาในสิ่งตอบแทนเว้นเสียแต่ว่าการที่จะได้สัพพันยุตยานนะคะนี่ก็เป็นพระชาติสำคัญอีกพระชาติหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าด้วยพระองค์เองเอาไว้แล้วก็มีการรวบรวมมา ถ่ทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในรายการสรนสนิสนทนาดิฉันสันสนินาคพงดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะติดตามรับฟังกันได้อีกค่ะยังมีเหลืออยู่ในพระชาติอื่นๆเพียงแต่ว่าในส่วนพุทธประวัติจากพระโอส์ก็ต้องบอกว่าใกล้ที่จะจบลงเต็มทีแล้วใครที่ฟังมาตั้งแต่ต้นปีนี่อัดแน่นอยู่ในสมองกันหมดแล้วนะคะเรื่องราวของพระพุทธองค์ค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ ท่านน้อมนําเอาพระธรรมของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติแล้วดิฉันเชื่อว่าท่านก็จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็พบนะคะว่าหนทางที่เราปรารถนาจะเดินไปโดยไม่ทุกข์นั้นเป็นอย่างไรวันนี้คงลาไปถึงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการกันอีกคะ่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนา